อืมเอาเลยรวยนะเจ้าเอาเลยรวยถวายของแล้วรับขอพระแจกตัวยมนะพระที่แจกเป็นพระคำข้าวจะมีลาบมากอาราธนาไว้จะมีลาบมากนะเจ้าพระสีข า, ขาวนะทำยากต้องเสกข้าวถึงสามเดือนแล้วก็มาเข้าพิธีพิธาพิเศษใหญ่ทั้งหนึ่งพระประเภทนี้ทำได้ยากมาก นั่นยอดโยมที่ได้พระเขาข่าวไว้เก็บไว้ยอดโยมหน้าต่อไปราคาจะแพงถ้ามีไว้หลายๆหมื่นองค์ต่อไปเป็นมหาเศรษฐีจะขายเป็นแสนบาทเลยรวยนะจ๊ะเออรวยรวยนะจ๊ะเออรวยรวยนะจ๊ ะ, ะ, จ ะ, ะ, จะพระคทำข้าว ทำแบบเดียวกับพระสุเ็ศรุทาจาร์โตนายโยมนะรวยๆจ้านานๆไปยังมีทางขาสูงรวอเจล่ะทางใจโยมรวยจ้าอย่าลืมนะย่าโยมนะพระสีขาวขาวเป็นพระคําข้าวทําได้ยากมากทําแบบเดียวกับนะสุเด็จพรธธุธาสุทาจาร์โต ต่อไปจะมีราคาเป็นแสนนะเก็บไป่มากๆนะแก้จนได้รวยๆจะ้ะถ้าตามปติก็เป็นพ้าที่มีลาบมากถ้ารัตนาขอลาบทุกๆวันลาบจะเกิดมากรวนะนะยจ้ะอ้าวรวยๆนะลูกนะยังคนขายก๋วยเตี๋ยวที่เจริญไทยธานีเขาเคยขายได้วันละเจ็ดร้อยบาท ขอรัตนาชาทุกวันขายได้วันละ 2,500 บาทเราเกือบตายปวดตัวคนเดียวนะคนเดียวแกก๋เดียวมันสบายเลยเนะี่ยเอาเลยรวยนะจ้าเอาเลยรวยนะจ้ะาพระคำข้าว ทำแบบเดียวกับพระสมเด็จสุท ธ, ธาจารย์โตในยมนะเลยๆจ้ะนานๆนนไปจะมีทางข้าสูงเลยจ้ะ